วันนีแสดงเมื่อวันที่ยีสิบสองกรกฎาคมสองพันหาร้อยเจ็ดณวัดป่าบัานตาดจังหวัดอุรีรัานีใหวงเล็บบันทึกแทนคำว่าพุทธบริกัร ระิจายอมไม่ขึ้นอยู่กับท่านวันละไม่ขึ้นอยู่กับความรู้ถึงต่บไม่ขึ้นอยู่กับ คำมีความเป็นและไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าเป็นหญิงเป็นชายแต่ขึ้นอยู่กับสรัทาความเชื่อมัน่นในหลักธรรมซึ่งเป็นความจริงที่พระองค์ประกาศ จะทัานผู้สนใจนุ่งเพื่อจะปฏิบัติแก้ไขตนเองมีเป็นหลักสำคัญของศิตธบรญจะเป็นทุกธสุขก็ตามสามเณรก็ตามอุบาสกอุบาสิกาก็ตามถ้าเป็นผู้มีศรัทธาความเชื่อมัด ในหลักของการกระทาของตนว่าทำดีต้องเลยดีทำั่วต้องเลยรับทนผ่้เชื่อเป็นผู้มีศรัทธาเซตีลาจะอิสา สลระ เ, ลเวลาสลระทรัพย์สมบัติมีค่าสลระทั้งเือดเนื้อชีวิต จ, จิตใจม่งไปสู่จุดต่างๆในสังคมของกุธพัฒน า, าโดยไม่ต้องเสียดายสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายแม่ภายในตัวของเรา ก็เพราะอำนาจแห่งศัทธาความเชื่อมัน่นจับเป็นก็ยอมจะตายก็ยอมจะหมดก็ยอมจะยังก็ยอมจะทุกข์จะลำบากยากสักเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อกรรมคือการกระทำดีของกดนี่คือว่า หลักแห่งพุทธบูราทุกๆระเคืจะต้องดำเนินเนึ่นั้นดูดีระลักทบวตในพระพุทธศาสนาจะต้องชีงก็ตามเป็นพระเป็นเนาามือนก็ตามหรือปฏิญญาตนเป็นบิดาตกบิดาศิกาขก็ต า, าม ลวนแล้วแต่เป็นกลุ่มศรัทธาเชื่อมัน่นไม่เช่นนั้นไม่สามารถจะสละออกได้จะเป็นสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยล้วนแล้วจะออกจากศรัทธาซึ่งมีปัญญาเป็นเครื่องไก่กรองดูเหตุผลอันจะเกิดขึ้นจาก การกระทาเพราะอำนาจแห่งศรัทธาความเชื่อมั่นนั้นาะนั้นเราท่านที่รศึกษาพยายามสลักสิ่ที่มีคค่าทั้งในบ้านนอกบ้านทั้งชีวิตจิตใจเึ่งเป็นของมีคุณค่าอยู่ข้งต้นได้ก้าวขามาถึงสถานทิ่นนั้นว่าเป็นผู้สลัก เพื่อเป็นจิตประธานโดยไม่มีความเพียนายอันใดผมว่าโอกาสที่วาสนาดำเนิยนั้นเกิดขึ้นจาก <c oughs> ความมุ่งมั่นของเราซึ่งมีศรัทธาเป็นรากฐานสำคัญโอกาสวาสน า, าค่อยอดำเนิน มบุคคลผู้ประสงค์เชนนั้นมีจะต้องมีโอกาสไปจะต้องมีโอกาสมาจะต้องมีโอกาสทำกุญงามความดีจะเป็นการใหงทานก็ตามรักษาสีภาวนาก็ตางยอมเปิดช่องเปิดทางให้เราเสมอแต่ถ้าศรัทธาความเชื่อมัน่นไม่ควรมีภ า, ายในจิตใจ เราย่อมมัสามารถจัดสลับว่าทุกๆอย่างฉะ <c oughs> นั้นขั้นพิจารณาปรากฏว่าลูกศิษของประพฤทิว่าปรากฏเป็นสาวสามุกกาเป็นผู้ที่เกิดอาสะวะกนเนื่องมาจากการสลับจะอยู่ในฐานะรนนกากต้นผองแซมก็ตางอยู่ในฐานะที่สมมูรณ์บริบูรณ์ดย โครงการสมบัติยดผ้าบรรดาศักดิ์กตเมื่อสัตทานได้อย่างนึ่งแล้วในหลักแห่งธรรมะคำปบะกาศของภูมิทิศกอย่างแน่รอยคอย่ อ, ยอมสลากเป็นสลักไดเสียทุกทุกคิน้นบรรดาที่เป็นสมุดอันเป็นอุปสรร์เรื่องข้องคิดข้ อ, องใจมาเป็นเมียนาน ถึงกับปรากฏเป็นสาวกสาวิกาอาหารหันต์ชื่งทีวิตอาสวะให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้ปฏิบุกร ว, วัดนนล้นเล้าแต่ผู้ปราบเสียสละทางนั้นแม้พระพุทธเจ้าที่จะปรากฏพระองค์เป็นศาสดาของโลกคอยย่อมมาตั้งแต่ภาคเรื่องตนอันเป็นภาคพื้นของการเสียสละมาะเป็นลำดับเราจะเห็นได้ในเวลาสุดท้าย ที่ท่านเป็นโทะวสันดนไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าชาเวเสวยพระชาติเป็นพระเวทสันดรจะมีความเสียสละเพียงชาติเดียวเท่านั้นแต่เป็นคุณธรรมที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาประจําพระสันดานเป็นนิสัยที่ชอบเสียสละอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ขั้นแรกจนกระทั่งถึงขันสูงสุดสามารถสละดได้ โดยนคือความเสียสละความเสียสละนี้จริงเป็นมูลฐานให้พระพุทธเจ้าโดปรากดเป็นความเป็นคู่วิเศษขึ้นมาเราพูดจะดำเนินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าแม้จะไม่ได้ดำเนินเป็นแบบพิมพ์คนเดียวกับพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เป็นวิสัยของ พุทธบริษัทจะสามารถดาเนินตามปถิกําลังของตนผลจะพึงปรากฏก็ด้อมถึงจุดหมายปายทางคือความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันเมื่อเราได้บําเพ็ญให้สมบูรณ์โดยบุตตามขั้นแห่งกําลังความสามารถวาสนาของเราแล้วดังนั้นท่านต่างหลายที่เรียนตามาส ถ, ถานที่ที่บ้านเมืองของตน ย่อมเพียงได้เพียงเสียวเพียงตนเพียงกายทุกทุกอย่างเพื่องมาตลอดเวลาแต่ความเสี่ยงองนั้นไม่สามารถจะเปนกก็นอุปสรรคต้นกลางแห่งการมาของเราเพราะอำนาจแห่ความเชื่อความเปิดใสเป็นธรรมที่มีกําลังมากกว่าสามารถจะ ฝากฝืนอุ ป, ปรสรรคทั้งหลายมาได้การมาก็หนึง่งก็เพื่อการบำเพ็ญทานลำบารมำนีอยู่สมบัตรทางภาของตนมากน้อยให้ชนมุนคิดเรียกว่าบุญญาทิสส่องไว้ในประเพณีศาสนาเกื่อเป็นสมบัติภายในของตน สองเพื่อจะทำปห้ถึงคือความสะอาดเรียบร้อยภายในกายวาจาใจของตนให้มีําลังขึ้นเป็นกํำลังและเพื่อจเจริญจิตใจของตนให้ก้าวข้อสืบความแข็งแกร่เรียบเรียมีจิตอันใสสะอาดเป็นความสาุข ค, ความสบายภายในใจ งานการอบรมอิตจึงเป็นสิ่งสำคัญทั้งนัฐบุาาตรและฆราวาสเพราะอิทิเป็นรากฐานสาคัญของบุคคลและสัตว์แต่ล ะ, า ล, ะลายนันาหลพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่ามโนปุพังกมาธรรมามโนเจตฐามนมโนมายะทุกทุกสิไม่ว่าทางโลกทางธรรมจะสำเร็จขึ้นด้วยใจทท้งนะั้น หากว่าใจได้เสือไปเสียทั้งโลกก่อนเสือทางธรรมก็เสือใจได้น้มละลายไปเสียโลกก่อนทีดท้ายธรรมก็เลียวแหละไม่มีชิ้นใดดีเลยภายในบุคคลคนนี้นใจจึงเป็นจิตสำคัญอย่างนี้การที่เราทำคุณงามความดีหรือดัดแปลงกายวาจาใจของตนทุกๆุอาการ ก็เพื่อจะให้เป็นคุณสมบัติของใจได้รับผลประโยชน์เครื่องเอทิดทีตนของตนให้มีระดับอันสูงเป็นลำดับแต่พราอย่างยิ่งการอบรมใจในทางด้านภาวนาหลักของทูพระพุทธศาสนาถือเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งที่พุทธบริษัทจะพึงสนใจอบรม ใจของคนให้รู้รู้ให้ควรจะเหนี้แต่ผลแจกการงานทา้งทางโลกและทางธรรมภูมีใจได้อบรมพอสมควรแล้วจะไปไหนมาไหนจะ ท, ทําผิดการงานภายนอกภายในย่อมเป็นไปเพว่ความสม่าเสมอไม่เป็นไปเพื่อความเรทุกกระเทือนยิ่งเลิศพ้อันตรงที่รอแหลมต่ออันตรายสำหรับ วิธีาการทําใจให้สงบได้เคยอธิบายให้ทำาีฟังทราบมามางแล้ว่าทําอย่างไรใจจึงจะมีความสงบลักษณะของใจก็เช่นเดียวกับกายที่ต้องมีที่พึ่งที่เงียบใส่และอยู่โดดเดียเด่ยวลำพังตนก็ไม่ได้เช่นเรานั่งก็ต้องอาศัยขาลาเป็นที่หนักเรานอนก็ต้องอาศัยที่นอน เราดึงก็ต้องอาศัยที่แห่งใดแห่ร่างกายต้องอาศัยทุกๆอย่างตามการเวลาของตนที่เห็นว่าจําเป็นถ้าไ ม, ม่อาศัยร่างกายก็อยู่ไม่ได้ต ล, ลอดถึงอาหารการบริโภคเพื่อใช้เพื่อกายในนี้เป็นที่อาศัยของกาย กายจะอยู่โดดเดียเด่ยวไม่นานลักษณะของใจก็ต้องมีอารมณ์เป็นที่อาศัยแต่อารมณ์ของใจนั้นมีสองประเภทอารมณ์ที่เป็นไปเพื่อความรังแกจิตใจให้รับความผุ่นโมลีเดือดน้อนก็มีอารมณ์ที่เป็นไปก็จะยังใจให้สงบเกืดอถึงกลมในหลักแห่งพุทธศาสนา มุ่งถึงอารมณ์ที่จะเป็นไปประความสงบเยือกเยน็นภายในใจฉะนั้นท่านจึงมีบทธรรมเป็นที่พึ่งคิงของใจที่เราทั้งหลายก็เคยได้เรียนและปฏิบัติมาพอสมควรเช่นคำว่าพุทโธหรืออนนาตาหน้าจะเป็นเป็นต้น น, ตนี่ออารมณ์สงหับเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจเมื่อใจเลยมีกา ร, รยึดเหนี่ยวในสติ รักษาใจให้อยู่กบทธรรมนั้นๆชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปราศจากที่พึ่งเมื่อใจไม่ได้ปราศจากที่พึ่งใจก็ย่อมไม่ว่าเหวี่มีความสะดวกภายในใจมีความเยือกเย็นมีความสงบมีความศึกษากดขึ้นแต่การ ผลอบรมจิตใจนี้โลกถือว่าเป็นของยากสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจในด้านธรรมะตั้งแต่ผู้ไม่เข้าใจในด้า น, านธรรมะเลยมันเขาถือว่าการหลับแแรงหรืออบรมจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ไร้ผลและเป็นธรรมคึกล้าสมัย เพราะฉะนั้นโลกที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องกากับใจจึงกลายเป็นโลกที่เลยสมัยไปธครมที่วัดทันสมัยโดยไม่ปรากฏกลับโลกติดใดๆ hết. หากไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาแล้วไม่ว่าโลกไหนไม่ว่าโลกมนุษย์ไม่ไม่ว่าโลกสัตว์ไม่ว่าโลกไหนๆทั้งนั้นจะเป็นโลกที่เลยสมัยกลายเป็นโลกที่หลือเหลือเหลือล้อนภายในตัวเอง แต่ผู้มีธรรมเป็นเครื่องอบรมจิตใจให้รู้ว่าใจเป็นสมบัติอันมีค่าของตนและพายายำระมัดระวังรักษาจิตใจซึ่งเป็นของมือทุนทานให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความปกติสุดผู้นั้นจะเป็นผู้ทันสมัย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 มีการอบรมจิตใจสำหรับผู่เข้าใจในด้านธรรมะและได้โดยอบรมจิตใจของคนมาบ้างแล้วจะรู้จักทิธีิปฏิบัติอบรมจิตใจให้เข้าสู่ระดับที่จะทรงตัวเพื่อเป็นความองออสงบจิตนี้สามารถจะทำจิตใจของตนให้มีระดับอันสูงขึ้นไปเป็นลำ น, นได้ไม่เหมือนอย่างผู้ไม่มีธรรม เป็นเรื่องรักษาใจกลายเป็นโลกที่เลยสมัยไปเลยฉะนั้นการอบรมใจจึงเป็นจิจจำเป็นและสำคัญยิ่งสำหรับเราเพื่อมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะอย่างยิ่งปูมุ่งต่อทางธรรมะแล้วควรจะอบรมจิตใจของตนให้ปรากฏ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 รักษาจิตใจยิ่งเป็นของจําเป็นมากขึ้นใจไม่ใช่จะมีความโง่อยู่ตลอดเวลาและไม่ใช่จะทรงความรู้ไว้ในระดับเดียวเท่านั้นยังสามารถจะทำความรู้นั้นให้ลดหย่อนหรือเพิ่มความรู้ความฉลาดขึ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งการฝึกลมดัดแปลงตัวเองเช่นเดียวกับมีตร้าที่เรานําออกมาจากนาช่าง ที่เขาเข็นเขาทุบส่อยดีแล้วแน่จะมองเห็นคมว่ามีดนี้เป็นมีดที่มีคมอยู่แล้วด้วยมีก็ตาแต่เมื่อมารับยิงเท่าอีกมีดนั้นก็จะยิ่งจะเพิ่มความคมเข้าไปเป็นลักษณะของใจเมื่อได้รับการอบรมฝึกฝนซึ่นเช่นเทียบกับยีดแล้วยอมจะมีความแสเดียวฉลาด ร, รอบตัวขึ้นเป็นระยะระยะระยะ จนสามารถจะรู้เห็นสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองพวกสิ่งเมื่อใจไม่มีความฉลาดรอบขอบอาจจะเป็นภัยต่อจิตใจสำหรับนักปฏิบัตินะแต่เมื่อเรามีความระมัดระวังรักษาอยู่ย่อมรู้วิธีของจิตใจว่าจะขยับตัวหรือ กระเพื่อมตัวออกไปในทางที่ถูกยุทธุกมากน้อยได้เป็นลำหนักไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่สามารถลุยกองจักรคือวัตะที่พระองค์เคยหมุนเวียนเกิดเงินตายนี้ให้หมดสิ้นไปจากพระไทยได้เลยเรื่องความเกิดความตายนี้เป็นประโยชน์อันใหญ่ยิ่งสําหรับสัตว์โลกผู้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลใน ถามพบคือการมาพบปลุกปลารูปรปพบนี้เรื่องความเกิดความตายเป็นของสําคัญนี้เวลานี้เราทุกท่านได้ก้าเข้ามาสู่สนามแห่งความเกิดตายจงเป็นผู้พินิพิจารณาเรื่องแถวหรือไทสมอนระคูที่เราจะลบกับความเกิดตายหรือจะคลี่คลายดูเรื่องความเกิดตายซึ่งฝังอยู่กับตัวของเรา และมีอยู่กับตัวของเราทุกวนันนี้ให้กางแจ้งขึ้นภายในผู้ที่เคยเกิดเคยตายนี้เป็นลาดับปั้เรื่องการเกิดเรามองเห็นแต่รูปร่างกลางตัวที่ประชุมด้วยธาตุสีดินน้ำลมไฟใจแม้จะมีความรู้สึกเข้ามาเป็นเจ้าการอยู่ภายในร่างกายแต่เราก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่า เป็นชนิดนเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงมีความสงสัยมากนะในเรื่องการเกิดตายบางรายถึงกับว่าตายแล้วไม่มีอะไรจะเหลือหลออยู่เรามาติดปัญหาของเรา เราก็คิดปัญหากระเดิดเปิดเปิงไปจากจุดของปัญหาที่แค่จินคือตัวเั่าันจรงคว้าแต่น้ำเหลวเมื่อได้มาก็เป็นเรื่องของทุกคือเรื่องเกิดเรื่องตายเช่นเียไม่ทราบว่ากี่ชาติี่ภพจะจบสิ้นลงได้จากปัญหาคือการเกิดตายการเกิดตายท่านว่าเป็นภัยของสัจจะสำหรับนักปฏิบัติพุทธเจ้าเป็น แต่ัว์ทั้งหลายมีความยิ้มเย้มลี่ยนใสเวลาปรากฏทูกร่างกลางตัวของหญิงตายลูกเต่าเหล่าคอที่ปรากฏตัวขึ้นมามีความโป <c oughs> ร่งปานแต่เมื่อจสิงเหล่านี้ได้สลายตัวลงไปจนถึงกับขั้นที่ว่าตาย เ, ยเกิดความเสียใเรื่องความเสียใจยเกิดขึ้นมาจากความเพลิดเพลินความ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 เรื่องสาเหตุแห่งการเกิดการตายอันเป็นบอกทุกประจําอยู่กับเราทุกทุกทันให้แก่นแจ้งขึ้นเป็นลําดับด้วยข้อปฏิบัติคือสิงห์สมาธิปัญญาบุบายิธีที่พระพุทธเจ้าสอนทุกทุกระยะหรือทุกทุกกรณีในบรรดาพระธรรมทั้งหลายแปดหมื่นสี่พันระธรรมคา รวนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายวิธีที่จะให้เราลำมาคลีบคลคายดูเรื่องปมแห่งกองทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นวิธีอื่นใดมีการให้สั่งสมทุกเป็นต้นพรพุทธเจ้าไม่เคยขาดเคยสองท่งนทานกล่าวว่าอริยสัจ ส, สีก็ดีสติปัฏฐานสี่ก็ดีมีความจำเป็นแค่ไหน สำหรับพระพุทธเจ้าเห็นความจำเป็นในอริยสัจสี่และสติปัฏฐานมาเป็นพระไถ่คือจะคนจะติดจะเกิดจะตายอยู่ตลอดกับตลอดกันก็เพราะเรื่องของอริยสัจสีเรื่องสติปัฏฐานสี่ผู้จะก้าวพ้นจากเรื่องการเกิดการตายเสียได้ เพราะอริยสัจติดสำหรับพระพุทธเจ้านั้นติดก็ปิดเพราะอริยสัจติเพราะสติปัฏฐานติดเกิดตายก็ตายกนณีพวกเราทั้งหลายก็เกิดตายเพราะเรื่องนี้แต่พระพุทธเจ้ากลับพิจารณาที่ขานดูสัจธรรมและสติปัฏฐานตินี้ให้ชัดเจนด้วยพระธรรมหรือด้วยพระประพระปิทาความสามารถฉลาดล่อรู้ จนยกพระพุทธจาหรือยกพระองค์ให้พ้นจากเรื่องเกิดตายไปได้ฉะนั้นการพิจารณากว้างแคบโดยอุบายวิธีของแต่ละท่านละท่านก็เพื่อจะรู้ที่ซ่อนเล่นของจิตใจที่ไปแอบแฝงหรือซุนทร่าบอยู่ในสิ่งต่างๆภายนอกก็มีรูปรูปทั่วทั้ง ดินแดเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสมีอยู่ทุกแห่งทุกคนตนก้าวไปที่ไหนสิ่งเหล่านี้จะต้องสัมผัสมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกๆุกขณะที่ก้าวไปไม่ว่าก้าวไปด้วยการไม่ว่าก้าวไปด้วยการกระเพื่ของใจจะสัมผัสกับสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้อย่างสมบูรณ์ทุกๆเว ล, ล่ การพิจารณาสภาพทั้งหลายมีรูปเสียงถึงรถเป็นต้นเพื่อปัญญาขอเพื่อจะได้คลี่คลายดูสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นที่แทรกซึมของสัตวหรือเป็นที่ซ่อนเลนของสัตเป็นที่แอบแฝงหรือยึดเหนี่ยวของอุ ป, ปาฏฐาเพื่อจะถอนตัวออกมาเป็นลำดับเช่นเดียวกับคนวิทน้ำเพื่อจะเอาปลามาทําคร้่อง น้ำลึกน้ำกวา้างท่องอาศัยกันเมื่อเราต้องการปลาดีปราไปจนกว่าว่าน้นํามันจะแห้งลงเป็นลำหนักลำหนักจนปลากดตัวปลาชัดๆัดเพราะเมื่อน้ํามากปลาเนี้ยจะมีมากย่อไม่ปรากฏตัวขึ้นเาะฉะนั้นการดิทน้ําจึงเป็นสิ่งจ ำ, จำเป็นสําหรับผู้ต้องการปลา จะต้องพยายามวิทย์ออกให้จนหมดชีพรามีเท่าไรซุ่มซ่อนอยู่ในสถานที่ใดจะแสดงตัวให้เห็นชัดเป็นลำหนักเมื่อ น, น้ามันเหือดแห้งลงไปเสียจริงๆรปามไม่มีที่อาศัยเขาวิ่งเขา้ารวมกันจากนั้นก็จะซุ่มซ่อนตามลมตามโทนถึงจะซุ่มซ่อนที่ในไหนก็พ้นจากสายตาของเถาผู้วิทย์น้ำ จะต้องค้นพบค้นเจอไปเสียทาัาน้สามารถจะเอาการานั้นได้หมดทุกตัวเมื่อน้ำหด แ, แห้งไปลักษณะแห่งกุบายวิธีพิจารณาของโยคาวาจรไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักอวดคาวาพิจารณาในสภาวธรรมทั้งหลายมีรูปเสียงเป็นต้น ให้ชัดเจนแก่นแท้งด้วยสติปัญญาของปตนเองเราจะเห็นตัวปลาซึ่งเป็นสิ่งที่หยากช้าได้แก่กระแสของใจที่ไปซุ่มซ่อนอยู่ในสภาวะต่างๆพร้อมทั้งเราเห็นเรื่องของสภาวะนั้นโดยทางปัญญากระแสของจิตก็จะตะล่อมเข้ามาสู่ที่ซุ้มซ่อนเช่นเดียวกับเมื่อน้าเริ่มแห้ง ลงกลาก็าจะต้องโวนตัวเข้ามามีมากมีน้อยจะรวมพันเข้ามาลักษณะแห่งการพิจารณาภายนอกก็เพื่อจะทำความกว้างนั้นให้มีวงแคบสำหรับที่สุมสอนของใจเข้ามาเป็นลํเพราะโลกว่างทาลายใจก็กว้างเท่านั้นความรู้ครอบโลกกระพาดเรื่องสัญญาณความ จำความหมายสังขารความคิดความสูนต์ปตามโลกตา ม, มองสารอุปทานความมั่นหรือมั่นของใจซึงมีไม่มีขอบเขตหรือไปได้หึดทุกสุนทรพันธการพุทธนาสีประทานวาทั้งหลายโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอาตาประจัด ก, กับใจเรืยกเรียงเป็นเพศจะถอนกระแสของใจที่ไปสำคัญมั่นหมายหรือยึดมั่นหือมั่นในสิ่งล่านั้นให้เด ต, ตัวเข้ามาสู่วงภายในมีเรียกว่าน้ําก็ เริ่มเหงื่อแห้งเข้ามาตาก็เริ่มรวมตัวเข้ามาคือกระแสของใจที่ต้านอยู่ทุกแห่งทุกผลกว้างแคบก็จะเริ่มรวมตัวเข้ามาสู่จุดทันใดญ่ได้จะจุดของใจที่แสบติดการพิจารณากายสติปัฏฐานทุทกสมุทยัยภายในใจภายในกาน้ขอแสดงว่าเราวิทย์น้ำออกจากที่ต้นต่อนของใจอีกเป็นท่าน คือจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในเจรณาส่วนไหนก็เห็นตั้งแต่เรื่องของอนิจจังทั้งนั้นในร่างกายทุกส่วนทุกชิ้นไม่ว่าภายนอกภายในข้างบนข้างล่างกว้างแคบเต็มไปด้วยอนิจจังมีความแปรสภาพทุกครั้งเต็มไปด้วยทุกทั่วทั้งสกุลกายและจิตใจหน้าตาไม่เคย ได้เป็นเบาของไขทางนั้นแต่เป็นสภาพความจริงของเขาจะต้องก้าวไปสู่ตามคติธรรมนาของตนนี่ทันเรียกว่าอนัตตาไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าไข่ไขทางนั้นและว่าของไขทางนั้นเมื่อการพิจารนณานโดยทางใจ ร, รักเห็นประจักษ์ในส่วนแห่งสกคนลนักายของเราถูกจริน อางนี้แล้วคำว่าเราก็ดีคำว่าของเราก็ดีจะมีกำลังกล้าสามารถยึดเหนี่ยวไปได้อย่างไรก็ต้องพดตัวเข้ามาเหมือนกับปลาที่ตะล่อมตัวเข้ามากระแสของใายก็ตะล่อมตนเองเข้ามาเช่นนี้นี่เป็นเพียง น, น้ำ เมื่อพิจารณาส่วนภายนอกก็เห็นชัดโดยทางปัญญาพิจารณาเข้ามาในส่วนร่างกายก็เห็นชัดโดยทางปัญญาว่าอันิี้กางทุกขังห้าตาคือสภาพอย่างร่างกายเหล่านี้ไม่ใช่สภาพผีใสเรื่องของเวทนาของสัญญาของสังขานของวิญญาณ แม้จะไม่มองเห็นด้วยตาเนื้อแต่ก็รู้อยู่ด้วยใจไม่ปิดบังทางความรู้ไดยก็จะสามารถรู้เรื่องของสิ่งเหล่านี้ได้เช่นเดียวกับส่วนที่เป็นด้านวัตเรื่องกระแสของมัตตที่เคยเพล่นผ่านอยู่ทุกแข่งทุกคนก็จะหดตัวเข้ามาหดออกจาก รูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสหดออกจากรูปกายทั้งหมดที่มีในตัวของเราหดเข้ามาจากเวทนาสัญญาสร้างขานยิ้มายาเพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสภาพเสมอกันไม่ว่าด้านวัตถุธรรมและนามครับมีสภาพแปรสภาพคือเป็นไปรลักษ์เสมอกันแสดงว่าน้ำกำลัง แห้งลงไปเป็นนนักนด้วยอำนาจแห่งการวิธีการพิจารณาของเราเราก็ยิงจะเห็นกระแสะของมัตตะที่เคยหมุนเวียนตัวเองมากีก่กับกีดกันจนปรากฏผลเป็นเรื่องเกิดตายประจักษ์กับโลกของเราซึ่งจับปฏิเสธกันไม่ได้นี่แต่หลายชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อน้าแห้งไปหมดจริงๆเหลือแต่ตมแต่โคลนปลาไม่มีที่อาศัยก็วิ่ง สุ่มซ่อนอยู่ตามตมตามโขผู้ต้องการตราซึ่งวิตน้ำเมือแท้งไปหมดแล้วก็คุ้ยเกี่ยนในตมในโขลรามีเท่าไรก็เจ็บโอได้หมดกระแสะของใจซึ่งเรียบเหมือนกับตานี้ได้แต่ก่อนได้ซุ่มซ่อนปรตาตามสภาวธรรมดังที่กล่าวแล้วนี้เมื่อได้ถูกวิทยด้วยปัญญาด้วยสติก็วิ่งเข้าสู่ ที่สุ่มทอดทางของปลาที่เป็นส่วนภายในได้เจอรูปกเสกียงถึงรถเครื่องสัมผัสที่จะมาสัมผัสกับตาหูจมดิ้นกายใจยนเข้ามาภายในคือกายทุกส่วนเวทนาสัญญาสังขารินดา นี่เป็นทางท่องเที่ยวของวัดตะคือกระแสของจัตเมื่อสิ่งเหล่านี้ก็ได้ถูกพิจารณาคลี่คลายจนเห็นชัดแจ้แจ้งเข้าไปแล้วปลาเขามีทางเลยปลาปะสิ่งที่จะทำใจให้หมดวิ่งเข้าสู่ตมสู่โคนได้แจกกระแสของใจทั้งหมดได้รวมตัวเข้าไปสู่จุดผู้รู้แห่งเดียวนั่นคือตมคือโคนอันละเอียดนี้ สติกับปัญญาก็ค้นคว้าคุยเขี่ยลงไปในที่นั้นที่ปลาเข้าไปซุ่มซ่อนอยู่นั้นจนสามารถจับปลาตัวที่เป็นวัฏะันั่นได้ด้วยอำนาจของปัญญาอยู่ในตมในสุนได้แก่อวิชชาเนียนเะมื่อปัญญาได้พิจารณาถึงหลกฐานแห่งวัฏะที่แท้จริงเห็นชัดเจนแจ้ง สิงลานั้นก็ถูกทำลายด้วยสติปัญญาสลายตัวลงไปเรื่องวัดตะคือความหมุนเยยนจนเป็นผลปรากฏออกมาว่าเป็นการเกิดการตายนั้นจะหมดสิ้นจสิ้นลงได้โดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาที่จะทำลายตัววิชาให้สิ้นสุดลงนี่วัตตะของท่านก็ดีของเราคน จะยุติหรือสิ้นสุดกันลงได้ที่จุดนี้<ม>เช่นเดียวกับเราจับปลาจะสิ้นสุดกันลงได้ต่อเมื่อได้วิทน้ำแห้งหมดแล้วได้ฟื้นเคียรจับเอาปลาในตมในโูนจนไม่มีอะไรเหลือ น, นั่นแหละเป็นที่หมดปัญหาของชาวประมงผู้จผู้เก็บปลาการพิจารณาของนักปฏิบัติ ทุกๆ ก, กรณีตั้งแต่ต้นจนถึงจุดการสุดท้ายตามที่กล่าวมันตลอดได้ทําลายรมของวัตจักได้แก่วิชาซึ่งเป็นที่รวมของกระแสของวัตะให้จิ้นสุดลงไปแล้วนั่นแหละเป็นจุดสุดท้ายของนักปฏิบัติที่จะทําลายวัตะของตัวเองให้จิ้มสุดลงไป ไม่มีอันไหนจะเหลืออีกมีแหละชื่อว่าเป็นผู้แก้ปมวะตะัตฏะชื่อว่าเป็นผู้ตัดความสงสัยในวะตะัตฏะคือความเกิดตายทุกชมิเป็นผู้สิ้นสงสัยในเรื่องการเกิดสายในจิตเพราะเป็นผู้แก้ในจิตถ้าได้พ้นจากจุดที่ว่านี้แล้วใครจะปฏิเสธว่าวัตฏะไม่มีทาจะ เข้าใจว่าโลกนี้ตายแล้วเกิดคือตายและสูญบันยังครรําลต่างเรื่องของวัตตะคือการเกิดตายของแต่ละบุคคล น, นั้นและแต่ละสัตว์นั้นจะไม่ขึ้นอยู่กับใครๆทางนั้นหากว่าวัตตะคือการเกิดตายนี้ได้สิ้นสูดไปเพราะทํานาจที่การกล่าวหาของบุคคลและสัตว์แล้วตายวัตตะจะไม่ทําหน้าที่กับโลกคือการเกิดตายนี้ ให้มีความยืดยาวมานจนประทั่นถึงวันนี้และต่อไปได้เลยทั้งนี้ก็เพราะวัตตะไม่ขึ้นอยู่การกับการจำหนี้กิจชมของไข่การเชื่อรู้ไม่เชื่อว่าวัตตะมีไม่มีของไข่แต่เป็นสิ่งที่จะทำหน้าที่ไปตามปัจจัยของตนที่มีอยู่มากน้อยเมื่อหมดปัจจัยแล้วก็ไม่มีอะไรหนีเรื่องวัตตะก็เป็นอันว่ายุติจบ ใครจะให้นมามวัตตะยังอยู่หรือวัตตะสิ้นสูดลกไปแล้ววัตตะก็ไม่มีวิสัยน่าเช่นเดียวกันกลับไม่ฟังกลับวัตตะไม่ฟังในคำคำมีติชฉของใครนี่หลักแห่งพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อจะทำาห้จิุของทุกของตนให้สิ้นสุดลย ได้ทําวิธีีและสิ้นถุดลงรากมาจากใจของตนในจุดนี้เท่านั้นไม่มีที่ไหนเป็นที่อยู่ของวาตาัตถะไม่มีที่ไหนเป็นที่เกิดกายของโลกนอกจากเรื่องของใจกับธาตุขันธ์จะประสานกันเข้าเพราะอํานาจนอวิชชาเป็นตัวเหตุเท่านั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงทำความสนใจในวัตถะซึ่งมีอยู่กับเราทุกทุกพยายามแก้ไข ที่คลายดุลมของวัฏจัของตัวนิรนให้กรจะจัดแยกเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านได้ทําลายเพราะอํานาจแห่งการที่ชายโดยทุกข์ถึงกับปรากฏเป็นศาสนาของโวกให้เราทั้งหลายได้กล่าววัาทตกุวันกท็ทรอองดาเนินด้วยวิธีนั่นเองเราผู้ดําเนินไปตามแถวทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงดําเนินไปแล้วจะไม่ถึงจุดนั้นและจะไปสู่จุดไหนเพราะทางเป็นทางอันเดียวกัน อริยสัจคือทุกสมุทัยนิโรธมักเป็นพันเดียวกันสติปัฏฐานสี่เป็นอันเดียวกันผู้ดำเนิ น, นดำเนินไปในาทางสายเดียวกันแก่กิเลสัณหาด้วยข้อปฏิบัติในธรรมของผู้ที่เจ้าเช่นเดียวกันผลที่จะพึงได้รับก็นนต้องเป็นยิวัติคือการสืงขึ้นแห่งวัตฏะออกจากใจเช่นเดียวกันนี่วิธีการดูเรื่องซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตของโลก คือเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทุกข์เรื่องลำบากเรื่องกิเลสตังหาจะออกมาจากจุดเดียวนี่เพราะฉะนั้นขอให้ท่านั้ปฏิบัติทงตรงเกี่นี่ที่เดามที่กำแน่ที่เดียวว่าเราจะต้องรู้ชัดเห็นชัดในเรื่องของเราทั้งเรื่องเกิดส่วนตายาทั้งเรื่อ ง, อองทุกข์นทุ อาตันเป็นบทเกิดอความเืิดตายของเราในใจของเราเลยโดยไม่ต้องสนใเพราะนั้นในอวสานการเสดงธทํมเพราะอานาจจะไปแกจะทำประสงค์ตรงมาคุ้มครองรึกษาทัา้งหาให้มีความเฉลี่ยในการติทปปตร ก, รกทุก่อทิกรรมจัดดีกัญหาสัวให้ยิ่งแต่จับใจกลายเป็นม้มุษย์มนย่งเพิ่ ข, ขึ้นมาภายในใจโดยทุ่งนักันเอ